รรมชาดกแผ่นที่สองลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่7มีนาคม2549มีชื่อเรื่องว่าทำตัวให้มีค่าอย่างม้าอาชาในวันนี้เป็นวันพระ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 และมีหลายประเด็นอยู่ในพระไตรปิฎกและอยู่ในพระสูตรที่บางคนก็เอามาถกเถียงกันว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปบวช เ, เมื่อเสด็จไปบวชแล้วผ้าลอยมาเองเวลาตัดพโมลออีมีพรมเอาขันมารองรับเทวดาเอาขันมารองรับเหล่านี้การล้วนแล้วจะเป็นเรื่องถกเถียงกันเรื่องเล็ ก, เ, ลกเรื่องน้อย เรื่องไม่เป็นเรื่องเออถ้าหากว่าใครจะมารับก่อตามแต่คนนั้นมีจิตใจสูงส่งก็จะเป็นเทวดาได้จะเป็นไรไปเออถ้าว่าพระธองค์จะไปบวชอยู่แล้วพระพุทธองค์เอาผ้าไปด้วยพระองค์ขี่ออกมาผมพระองค์เองก็ะจะมีอะไรทำไมเราจึงไปถกเถียงกันในเสียงเหล่านั้น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 เกิดออกมาแม่ก็ตายขุยไผ่เกิดออกมาแม่ก็ตายอันนี้คือท่านโพดในประตรีปิดกในเรื่องนี้บา ง, งั้นเถะจากนั้นพอพอก้ามา้านําม้าตัวนั้นมาถึงจุดนั้นเมื่อแม่มา้าออกลูกที่นั่นแล้วจะเอาลูกม้าไปก็รบไม่ได้เพราะตัวมันยังเล็กอยู่ก็ม้าก็เป็นม้าฝูงใหญ่ก็เลยมอบม้าตัวเล็กตัวนั้นให้ยายแก่คนหนึ่ง บนนี้มีบ้านที่พวกพ่อค้าม้าไปอาศัยพักอยู่บ้านของยายคนนั้นก็เลยมอบมา้าอตัวเล็กที่เกิดที่แรกเกิดนั่นนะ่ะให้แก่ยายอยายคนนั้นก็พอได้ม้าน้อยตัว น, นั้นเลยก็พยายามเลี้ยงอประคับประคองม้าตัว น, นั้นก็ใหญ่ขึ้นโดยลําดับลําดับจนถึงเป็นหนุ่มในเมื่อม้ากําลัง เป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วมีพ่อค้ามา้ามาจากทางไกลอีกพอมาเห็นม้าตัว น, นั้นเตะตาเลยแบบนั้นะโอ้มาตัว น, นี้ทําไมลักษณะองค์อาจท่าทางลักษณะดีเหลือเกินนอนดูจุดที่นั่นหลายวันแต่ว่าดูดูแลเหมือนม้าอาชไนรือพ่อค้าม้าเนี่ยเขารู้ละรู้จักม้าตัว น, นี้คือม้าอาชไน ของแข้งปะเปียวแต่ว่าแปลกอย่างเดียวคือมันกินหมดทุกอย่างมันกินหมดทุกอย่างกินทั้งแกบกินทั้งลำยายแกเอาอะไรให้กินมันกินหมดแต่ตามปกติม้าอาชนายเนี่ยมันจะต้องกินข้าวฉลีคลุกด้วยน้ำผึ้งข้าวตอกคุกด้วยน้ำผึ้งเวลามันกินหญ้ามันก็กินเพียงสามใบสามยอดท่านเอง กินใบหญ้าเพียงสามยอดจากใบของปรุงไปมันจะไม่กินหญ้าทั่วไปเฉ่ว่ากินของละเอียดบา ง, งั้นถเถอะต้องพิถีพิธานต้องหาให้มันกินเป็นพิเศษบางงนานเถอะแต่ม้าตัว น, นี้มันกินหมดทุกอย่างมันแปลกจุดที่เดียวทีนี้พอขาม้าเหล่านั้นเขาก็สังเกตอยู่นานพอจากนั้นเขาก็เลยขอซื้อม้าจากยายแก่ ยายนะก็บอกวอ้ยยายขายไปได้แล้วเพราะว่ามาตัว น, นี้มันอยู่กับยายมาตั้งแต่มันออกเกิดแรกเกิดเน้นนะ่ะยายก็เลี้ยงมันมาตลอดยายจะขายไม่ได้แต่พอค้าม้าเนี่ก็ไม่ลดละความพยายามาพยายามอ่อนวอนยายแล้วเอาเงินทุม่มขยับขึ้นเรื่อยๆเหมืนั้นแหะผลที่สุดยายก็แพ้เงินเขาเหมือนกันเหมือนนันะก็เลยจําเป็นขาย เขาก็ให้เหตุผลว่าม้ามันอยู่ตัวเดียวจะอยู่ได้ยังไงยายมันก็ต้องปล่อยไปอยู่กับหมูกับเพื่อนเออจะให้อยู่ตัวเดียวได้ยังไงเมื่อมันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นอันตรายนะเขาก็ดห่างเหตุผลยายก็เลยอ่อนเออจากนั้นยายก็ขายขายให้เขาพ่อขายพ่อค้า ม, ม้าก็ได้ได้ม้าไปพาไปกับฝูง ม, มา้า แต่ฝูงม้าทั้งหลายก็กลัวนะให้ฆ่าไปม้าอาชนา이พวกม้าทั้งหลายขยันเกรงกลั ว, วงั้นเถะเพราะว่าฝีเท้าของมันนี่หรือบ่าความคล่องแคล่วทั้งหลายแล่นี่ม้าทั้งหลายกลัวหมดวงั้นเถะพอฆ่าม้าก็เอาม้าไปม้าตัวนั้นไปพอไปถึงที่แล้วก็พอฆ่าม้าก็เอาข้าวให้มันกินเหมือนกับยายเอาข้าวให้มันกินนั่นนะเอาลำ่ำเอาลำ่ำเอาแกบให้มันกินเอาข้าวให้มันกิน ทั้งที่ก่อนที่จะไปพอค้าม้าเขาก็ถกกันพูดกันว่าม้าตัวนี้เหมือนม้าอาชนายอย่างโน้นอย่าง น, น, างนี้ดูลักษณะท่าทางครบหมดทุกอย่างบริบูรณ์ทุกอย่างแต่ทําไมมันกินแกลมทาไมมันกินลำมันกินหมดทุกอย่างพิษปกติของม้าอาชนายเฮ้พอพอค้าม้าเขาสนทนาพูดกันม้ามันก็ได้ยินหนะมาเนี่เป็นม้าฉลาด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 ไปคุกน้ํำผึ่งให้กินม้าก็กินทีนี้พ่อค้าม้า ก, ก็เลยบอกขึ้นว่าทําไมตะแก่อยู่กับยายตะแก่ยังกินหมดทุกอย่างทําไมไมาอยู่กับเราเอาทําไมจังไม่กินทําไมถือตัวลักษณะอย่างนั้นหนาคล้ายๆบอกพ่อค้าม้าเนีเอ่อลักษณะจะดูถูกม้าแบบงั้นอะ่ะ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 ใช้ปัญญาไม่ได้สําเนียกสํานึกในเรื่องชาดกที่ท่านสอนก็มาถกเทียงกันจุดนั้นเพียงแค่นั้นนี่แหละเราต้องเก็บประเด็นให้ออกว่าชาดกแต่ละเรื่องนั้นมีจุดประสงค์อะไรที่ท่านพูดมาในเรื่องเหล่านั้น เ, เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาในหลักพระธรรมหลักพระไตรปิฎก ต้องฟังต้องศึกษาให้เข้าใจมีจุดประสงค์อะไรที่ท่านพูดในเรื่องนี้ขึ้นมาแต่บางเรื่องก็มีเนื้อหาสาระหลายเรื่องในชาดกนั้นแต่บางเรื่องก็มีชาดกที่จี้จุดตรงไปเป็นจุดเป็นประเด็นให้พวกเราได้สำเนีจอสานึกในตัวของเราเองและก็ผู้เกี่ยวขอ mm. ้องเพราะนั้น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 ของพุทธะจริงๆก็คือนี่แหละภาวนามยะปัญญานีน่ะแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงภาวนามยะปัญญามันก็เกี่ยวเนื่องกันมาลหลายๆอย่างเหมือนกับต้นไม้เมื่อก็อนท้องอาศัยปลูกมีเมล็ดขึ้นมากรปลูกพอปลูกขึ้นมาอาศัยน้ำอาศัยปุ๋ยอาศัยอากาศเพียงพอธนุถนอมวัชพืชจะให้เข้าใกล้จากนั้นก็เป็นต้นเป็นลำขึ้นมา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 ใครจะไปรู้ว่าใครบำเพ็ญบารมี 10, 20, 30สิบสามทัมามากน้อยอย่างไรแค่ไหนไม่มีใครที่จะรู้นอกเสียจากท่านผู้มียานัศนะหรือพระพุทธเจา้าหรือพระอรหันตสาวกที่ท่านมียานัศนะท่านจะมองรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยบุญบารมีของใครมากน้อยอย่างไรแค่ไหน พลฉยนั้นถ้าบุญบารมีของใครก็เป็นของคนนั้นเราจะไปอิจฉาเราจะไปแย่งไปชิงเขาก็ไม่ได้เป็นของใครของเราแท้ๆเรื่องบุญวาสนาบารมีอย่างเขาปาถนาเป็นพระประเจกก็เป็นเรื่องของท่านปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็คือเป็นเรื่องของท่านหรือว่าปาถนาเป็นพระอรหันตสาวกก็เป็นเรื่องของท่าน แต่ถ้าปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่เป็นผู้ปราถนาผู้ยิ่งใหญ่ผู้จะขนหรือสัตว์ออกจากโลกวัตทสงสารท่านยังเล่าเป็นในพระธรมะรมมัพพทตะกถาพระหันในครั้งพระพุทธเจ้าท่านรู้กวรจิตของผู้อื่นท่านเดินไปกับสัมมาเนนสัมมาเนเนเดินตามหลังพระเถระ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 เราปราถนาเป็นพระรหารสาวกดีกว่าเพราะว่าจะได้พ้นทุกในวัฏฏะสงสารเพราะว่าการพ้นทุกข์เหล่านมีคุณค่าเสมอกันความบริสุทธิ์ก็เหมือนกันในจุดนั้นพระเถระท่านก็เอาไปเนนสมมนเนนเดินตามหลังที่นี้สั ม, มนเนนก็แปลกใจเดี๋ยวก็ให้ไปก่อนเดี๋ยวก็ให้ตามหลังเนนก็เลยถามพระเถระท่านพระอาจารย์ครับที่ให้ผมไปก่อนเพราะอะไรเอาเนนคิดเรื่องอะไร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 ร้องรำทำเพลงปล่อยจิตปล่อยใจสนุกสนานาทานอาหารอริดอร่อยเที่ยวครับเที่ยวบาแต่เรามาอยู่ในสถานที่นี้อยู่ในป่ารงพงไพรทั้งยุงทั้งลิ้นระ ว, ว, ว, วังระวังเี่เราอยู่ในปา่าอยู่ตามธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติาถ้าจะว่าไปแล้วเป็นสถานที่ไม่พึงปรารถนาของ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 ไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอริยสัจ ส, สีทุกสมุทัยนิโรธมรตพิจารณามรกแปดแต่ตรองเรื่องมรกแปดศีลสมาธิปัญญาของพวกเรามันก็มองไม่เห็นเพราะว่าเราไปอยู่ในสถานที่วุ่นวายมันมีแต่เรื่องผงธุลีควัน เ, ออเข้าตาของเราไปหมดตาฝ้าตาฟัางมืดมัวผลันเราจึงมาหลบ มาอยู่ในสถานที่สงบสงัดมาอยู่ในสถานที่พร้อมที่จะขัดเกลว์พร้อมที่จะไตร่ตรองพร้อมที่จะบําเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญาตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพระหันสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเพราะนั้นพวกเราจึงได้มาอยู่ในสถานที่อย่างนี้ นีว่อุตุส ป, ปายะเสนาสะนะส ป, ปายะปุคระส ป, ปายะาหาความส ป, ปายะในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละพวกเราเนว่าเสนาสะนะส ป, ปายะมาอยู่นสะถานนี่ว่าเสนาสะนะคือที่อยู่อาศัย เ, เป็นที่สงบสงัดาจากนั้นก็บำเพ็ญอนะตัภาวนาการบำเพ็ญภาวนา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 เออคืออุจจาระและปัสสาวะอยู่ในถุงหนังนั้นทธอได้เอาไปห้อยไว้เอาไปแขวนไว้หรือเอาไปตั้งไว้ที่ไหนก็ตามเออวันดีคืนดีเพราะมันมีกลิ่นเพราะมันมีมูดและกรีดมีอุจจาระและปัสสาวะอยู่ข้างในมันก็ซึมซับออกมาข้างนอกเจ้าของก็จะต้องได้เอาผ้าเออมาเช็ดมาล้างมาอาบทําความสะอาดไว้อยู่เสมอ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 มีกระดูกเป็นโครงสร้างเนี่นี่แหละท่านในพิจารณาแล้วท่านในพิจารณาทําไมเพราะมนุษย์ของเราเนี่ยหลงร่างกายหลงธาตุขันว่าเป็นตัวตนของเราพอหลงธาตุขันตัวตนของเราเอา่าว่าตัวเองเนี่ยไม่ตายเมื่อตัวเองไม่ตายแล้วจะหลงในเงินคําทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์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 ชาติก็เถอะเ อ, อคำหน้าคำหลังไปเลยจังคำหาต้นตอไม่ได้แต่ถ้าว่าพิราณาเข้ามาหาตัวผู้รู้นั่นละนี่แปลว่าจับถูกที่ละที่นี่ดูใจใจเรานึกคิดเรื่องอะไรใจของเราเมันปูงฟุ้งออกไปเรื่องอะไรนี่แหละเรื่องดีเรื่องชั่วออกไปจากใจเรื่องรักเกลียดโกรธออกไปจากใจทั้งนั้น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 ให้เห็นศินสมาธิปัญญาพิจารณาอสุภะอย่างที่พวกเราพิจารณาอสุภะนะแค่เป็นประตูเปิดเข้ามามาถึงจุดนี้ถ้าไม่ถึงจุดนั้นะก่อนเราก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นตามความเป็นจริงเราจะเกิดความเบื่อหน่ายคลยได้ยังไงในเมื่อเราพิจารณาเข้ามาจุดนั้นแล้วไล่เข้ามาเรื่อยๆจนถึงมาถึงตัวจิตตัวใจตัวผู้รู้ตัวนามธรรมตัวนี้เป็นตัวการใหญ่ เพราะนั้นให้พวกเราทั้งหลายาถึงจะพิจารณาอะไรก็ตามพยายามาพวกเราจะทำจิตให้สงบซะก่อนใช่ไหมจึงยัง ม, มาพิจารณาอย่างนี้ไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นพอจะเข้ามาจุดนี้เวลาไหนเข้ามาเลยเห็นแป๊บเดียวก็ยังดีเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นใจตัวเอง เ, อเห็นต่ักของไม่เที่ยงเราเห็นไหมไม่แต่ลักของไม่เที่ยงเพียงชั่วคู่ชั่วขณะก็ยังดี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 เมื่อมีจุดมีต่อมขึ้นมาแล้วกันนั่นะพบชาติมันเกิดจุดในจุดนั้นแ่ะให้ดูจุดนั้นให้ดีนะทำลายจุดนั้นรู้แจ้งจุดนั้นมรรคผลนิพพานไม่อยู่ที่ไหนนะอยู่ในจุดนั้นล่ะอยู่ที่ใจนั่นแหะพระพุทธเจ้าตัดสรู้ธรรมตัดสรู้ที่ใจไม่ใช่ตัดสรู้ที่อื่นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นาไปไตรตรอง